หนึ่งจุห้าวิธีปฏิบัติต้องเลือกตามจริตนิสัยเราวงเล็บเปิดสีพ่พฤศจิกายนสองพันห้า้อสี่สิบเก้าจุดจุดนาทีหกสิบเอ็ดวงเล็บปิดการปฏิบัตินี่พระ อ, อนนท์เคยแยกแยะเอาไว้นะท่านบอกว่าการปฏิบัติมีแบบสมาธินำปัญญาแบบปัญญานำสมาธิแบบสมาธิและปัญญาควบกันไปท่านสอนมีหลายแบบแล้วแต่คนทุกคนเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันไม่ต่างกันหรอก แต่ว่าทำไมต้องมีหลายแบบก็เพราะคนมันมีหลายแบบพวกไหนเป็นตันหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ต้องรู้กายในการรู้กายจะทำได้ดีต้องทำสมาธิกายานุปัสสนาเหมาะกับคนทำสมาธิฉะนั้นเราทำสมาธิแล้วมารู้กายใช้สมาธินาก่อนแล้วมาเจริญปัญญารู้กายอีกพวกหนึ่งจิตใจคิดมาก พวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตเอาจิตตานุปัสสนาเหมาะกับพวกคิดมากการดูจิตเนี่ยเหมาะกับคนที่จเจริญวิปัสสนาเลยไม่ต้องทำสมาธิก่อนเดี๋ยวสมาธิเกิดทีหลังมันอยู่ที่จริตนิสัยเราไม่ใช่อยู่ที่เลือกเอาตามใจชอบนะแล้วไม่ใช่เลือกตามอาจารย์ด้วยต้องเลือกตามตัวเราเองตามนิสัยเรา